นะโมตัสสะพะกวโตอะระหะโ ต, ตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะกวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะก่อนนอบนอมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส พรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรทำคมพุทธะมัจจิมานิกายทักขีนาวิพังคสูตรการแจกแจงการให้ทานเล่มที่ส4ข้อที่เจ6วินัยหนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ อยู่นพระวิหารนิโครธารามเกศพระนครกบิลพัฏ ส, สมัยนั้นนางมหาประชาบดีโคตมีทรงถือผ้าหม่มคู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่กวรข้างหนึ่งได้กราบตูนกับพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้และทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของหม่อมฉันด้วยเถิดเมื่อนางมหาประชาบดีโกตมีกราบทู่อย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระบารมีตรัสว่าโกตมีพระนางจงถวายในสงเถิดเมื่อถวายแก่สง์คือหมู่แล้วจะเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอัตมาภาพและหมู่สง์พระนางโกตมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้ทอเองตั้งใจถวายเจาะจงอุทิศ เฉพาะพระผู้มีพระภาภก็พระองค์ทรงอาศัยความมนุเคราะห์โปรโดรับผ้าใหม่ทั้งคู่นี้ของหม่อมฉันเถิดแม้ในครั้งที่สองและแม้ในครั้งที่สามพระผู้มีพระปาภก็ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีคโคตมีอย่างนั้นนังนี้ว่าโคตมีพระนางจงถวายในหมู่สงเถิด เมื่อถวายในหมู่สงแล้วจะเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอัตมาภาพและในหมู่สงก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนุ์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคห น, นังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่นี้ ของพระนางประชาบดีโคตมีเติดพระนางประชาบดีโคตมีมีอุปการะมากเป็นพระมาตุจฉาคือแม่น้าทรงบำรุงเลี้ยงประธานพระขีระรถแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วได้โปรดให้พระผู้มีพระภาคดื่มนมจากเต้าแม้พระผู้มีพระภาค ก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นารณทได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงงดเว้นจากปานาธิบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากกาเมสุมิฉาจารเว้นจากมูสาวาต เว้นจากฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีรายได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่วันไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงประกอบด้วยศีลที่พระอริยะมุ่งหมายได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาค จึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกสมุทยัยนิโรธและมรกได้ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุบการามากแก่พระนางมหาประชาบดีโกตมีพระชก้านอานนท์ถูกแล้วถูกแล้วจริงอยู่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงค์เป็นจรณะได้เราไม่กล่าวการที่บุคคล น, นี้ตอบแทนต่อด้วยบุคคล น, นั้นด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกรับทำอัญชิีกรรมสามีจิกรรมด้วยการเพิ่มให้จีบรลบินาบาบเสนาสนะและกิลานะปัจจัยเพศ บ, บริการอ น, อนุนบุคคลใดอาศัย บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการทิ้ เ, ากกาอเอาทรัพย์บัรจุของไม่ได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีะไรายได้เราไม่กล่าวการที่บุคคล น, นี้ตอบแทนบุคคล น, นั้นได้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ การลูกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมด้วยการให้ปัจจัยสี่เป็นต้นบุคคลใดอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความเดื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวนไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้ามุ่งหมายได้ เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกสมุทใยนิโรธและมรกได้เราไม่กล่าวการที่บุคคล น, นี้จะทำต่อแทนบุคคล น, นั้นได้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้การลุกรับการทำสามีกรรมการทำอัญชลีกรรมหรือด้วยการเพิ่มให้ด้วยจีวอบินนาบาตเสนาสนะและกี่ละนะ ปัจเจกเปษับริการอานน์ก็ทักสีนาเป็นปาติบุคลิกคือการให้ทานโดยเฉพาะเจาะจงบุคคลมี14อย่างคือให้ทานในตถาคตผู้อรันตาสัมมาสัมพุทธะนี้เป็นการให้ทานเฉพาะเจาะจงบุคคลคือทักสีนาปาติบุคลิกประการที่หนึ่งส ให้ทานในพระปัิเจกสมมาสมบุทธเจ้า 3. ให้ทานในสาวกของพระทากฏผู้เป็นอ า, ารหัน f ให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำอาราัตผลในแจง้ง 5. ให้ทานแก่พระอนาคามี 6. ให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อธรรมนาคามิผลให้แจ้ง 7. ให้ทานแก่พระสกทาคามี8ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้ง9ให้ทานในพระโสดาบัน10ให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งส1 ให้ทานในบุคคลภายนอกคือนักบวชในศาสนาอื่นผู้ปราศจากความกำหนัดในการ 12. ให้ทานในบุคคลผู้มีศีล 13. ให้ทานในปุตุชนผู้ทุศีลและ14ให้ทานในสัติรชานนี้เป็นทักษีนาบุคลิก คือการให้ทานเฉพาะเจาะจงบุคคลทั้งสิบสี่ประการ อ, านอนนท์ใน1 4ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตติรชานพึงหวังผลทักษีนาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักษีนาคือผลแห่งการให้ทานนั้นได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลของการให้ทานได้แสนเต่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลของการให้ทานได้แสนโกเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพึงหวังผลทักษินาของการให้ทานนั้น จนนับไม่ได้จนประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ในพระโสดาบันในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกัทากามิผลให้แจ้งในพระสกัทากามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนากามิผลให้แจ้งหรือในพระอนากามีหรือในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้ง หรือในสาวกของพระตถาคตผู้เป็นอรหันต์หรือในพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธะหรือในตถาคตผู้อรหันต์ตสัมมาสัมพุทธะอานนุ์ก็ทักสินาที่ถึงแล้วในสงฆ์คือหมู่มีเจ็ดอย่างคือให้ทานในสงฆ์สองฝ่ายคือหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุณี ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่หนึ่งสงให้ทานในสงฆ์สองฝ่ายในเมื่อพระตถาคตปริณิผ่านแล้วนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย 3. ให้ทานในภิกษุสงฆ์คือหมู่ภิกษุข้อที่สี ให้ทานในหมู่ภิกษุณีข้อที่หขอประเดียงของหมู่สงว่าขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นตัวแทนของหมู่แล้วให้ทานข้อที่6ขอประเดียงสงว่าขอได้โปรดจัดภิกษุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นตัวแทนของหมู่แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทาน ขอที่เจ็ดขอประเดียงสงว่าขอได้โปรจัดภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นตัวแทนของหมูแล้วให้ทานอ น, นุนในอนาคตการจะมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูมมีผ้ากาสายพันคอแต่เป็นคนทุสีลมีธรรมลามกคนทั้งหลายจะถวายทานเฉพาะ สงได้ในเหล่าภิกษุทุสีนั้นอานนทักษีนาคือทานที่ถึงแล้วในสงแม้ในเวลาเช่นนั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุกคลิกทานคือการให้ทานเฉพาะเจาะจงในบุคคลว่า มีผลมากกว่าทักษิณาทานที่ตึงแล้วในสงคือในหมู่โดยปริยายใดๆเลยอนนนก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาคือการให้ทานนั้นมีสียางสียางเป็นอย่างไรคือทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รั e like บบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้บางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกคือผู้ให้และบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับคือปฏิคาหก อ น, นุนก็ทักษินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้คือตายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับคือปฏิคาหกนั้นเป็นอย่างไรคือในข้อนี้ถ้ายกที่มีศีลมีธรรมันงามแต่ผู้รับเป็นคนทุศีลมีธรรมลามกอย่างนี้ชื่อว่าทักษินาบริสุทธิ์ ฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับอ น, อนุนก็ทักสีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้เป็นอย่างไรคือในกร น, นี้ถ้ายกเป็นผู้ตูศีลมีธรรมอันลามกฝ่ายผู้รับคือปฏิกาหกเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงาม ทักษิณานี้ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับคือปฏิกาหกไม่บริสุทธิ์ในฝ่ายผู้ให้คือทายกอานอนท์ก็ทักษินาชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับเป็นอย่างไรคือทั้งทายกคือผู้ให้และปฏิกาหกคือผู้รับตางก็เป็นคนดุศีล มีทรมลามกอย่างนี้หลายชื่อว่าทักษินาฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์นอนุทักษินาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกนั้นคือทายกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามปฏิคาหกคือผู้รับก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมันงามอย่างนี้แหละชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายตายกและบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายปฏิฆาหกอานุ์เหล่านี้แหละคือความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสี่อย่างเมื่อพระผู้มีพระภาคพระพุทธภารสินี้แล้วได้ประพันธ์คําที่เป็นคํากราบคือเป็นคาถาไว้ดังนี้ว่า ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตรเลื่อมใสดีเชื่อก ร, รมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายตายกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิการหกส่วนผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลนั้นไปบุญ ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลเร้ากล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพยบุ์ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ตานในผู้ปราจาราคะทานของผู้นั้นแลเลิศ ก, กว่าอามิสถานทั้งหลายดังนี้ทักกินาวิพังคสูตรจบสังยุตติกายอิสัทธสูตรเล่มที่15ข้อที่405ยมีในสมัยหนึ่งพระเจ้าประสเสนทิโกศน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสบายบังคมแล้วนั่งนะ้าที่กวนข้างหนึ่งได้กราบตูนตามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานอันบุคคลพึงให้ในที่ไหนเนอแลพระเจ้าค่ะมหาปปิษจิตย่อมเลื่อมใสในที่ใดพึงให้ในที่นั้นแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ และทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงจะมีผลมากพระเจ้าค่ะมหบพิษบุ<ญ>บ e. คคลควรให้ทานในที่ไหนนั้นเป็นประการหนึ่งและทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงจะมีผลมากนั้นก็เป็นอีกประการหนึ่งคือทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีล ไม่มีผลมากโดยเหตุนี้อารมาภาพจะย้อนถามพระองค์ในปัญหาข้อนั้นบ้างพระองค์พอพระทัยอย่างไรพึงชี้แจงไปอย่างนั้นพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าณนะที่นี้พึงมีการยุดหรือการสงครามปรากฏมีขึ้นสงครามพึงเข้าประชิดกันถ้ามีคนที่อยู่ในวัณหกษัตร วันนะปรามวันณะแพทย์หรือวันณะสูตรพรตามที่เป็นคนหนุ่มไม่มีการศึกษาไม่ได้ฝึกปรือไม่มีความชำนาญไม่ได้การปลลองการยิงเป็นคนขลาดหวาดสะดุงมักวิ่งหนีมาอาสาในการทำการยุดนั้นมหาปพิธจะบึงชุบเลี้ยงคนนั้นอย่างนั้นหรือมหาปพิธ จะพึงต้องการความช่วยเหลือจากคนเช่นนั้นหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญข้าพระองค์จะไม่พึงชุบเลี้ยงคนคนนั้นและข้าพระองค์ไม่ต้องการคนเช่นนั้นเลยมาฮาบพิษก็แล้วพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าณทีน่นี้จะพึงมีการยุตหรือการสงกรามปรากฏขึ้น สมครามพึงเข้าประชิดกันถ้ามีคนที่อยู่ในวันนากริย์ดวันณาปราหมณ์วันณาแพทย์หรือวันณะสูตรเป็นคนหนุ่มผู้ศึกษาดีแล้วได้ฝึกปืนดีแล้วมีความชํานาญได้ฝึกการยิงมาแล้วไม่เป็นคนขาดไม่หวาดเสะดุ้งไม่หลบหนีเข้ามาอาสาในการทําการยุดนั้น มหาปพิธจะบึงชุบเลี้ยงคนอย่างนั้นหรือมหาปพิธพึงต้องการคนเช่นนั้นให้ช่วยเหลืออย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะบึงชุบเลี้ยงคนเช่นนั้นข้าพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นมหาปพิธฉันได้ข้อสันนั้นแหละแม้หากว่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากตระกูลใดและกุลบุตรนั้น เป็นผู้ละองห้าเป็นผู้ประกอบด้วยองห้าทานที่ให้แล้วในกุลบุตรจากตระกูลนั้นย่อมมีผลมากองห้าอะไรอันกุลบุตรนั้นพึงละได้คือ 1. นึ่กามฉันทะคือความพอใจในกรรมอันกุลบุตรนั้นพึงละได้ 2. ความพยาบาท คือความคิดปองร้าย 3. ทีนมิทะคือความง่วงซึม 4. อุทธจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจ 5. ความเคลือบแคลงเห็นแย้งหรือวิจิกิจฉาอันกุลบุตรนั้นพึงลาได้และกุลบุตรนั้นพึงประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างไร คือกุลบุตรนั้นพึงประกอบด้วยกองศีลอันเป็นของพระอาเศขะเป็นผู้ประกอบด้วยกองสมาธิคือสมาธิขันอันเป็นของพระอาเศขะเป็นผู้ประกอบด้วยกองปัญญาประกอบด้วยกองวิมุตประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นของพระอาเศขะ ก็ทานที่ให้แล้วในกุลบุตรผู้ละองหา้าผู้ประกอบด้วยองหา้าอย่างนี้แหละย่อมมีผลมากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบคือเป็นกาถาสื่อไปว่าศิลปะถนูกำลังและความเพียรมีอยู่ในชายใดพระราชา ผู้ทรงการยุดพึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้เช่นนั้นไม่พึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าหารเพราะเหตุแห่งชาติกำเนิดของเขาเท่านั้นข้อนี้ฉันใดธรรมะคือขันติและโสรจะจักคือความอดทนและความสงบสงี่ยมตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลพึงบูชาบุคคล น, นั้นผู้มีปัญญา มีความประพฤติเยี่ยงพระอรยะแม้มีชาติตระกูลตำ่ำก็เช่นนั้นเหมือนกันบุคคลพึงสร้างอาสมอันเป็นที่รื่นรมาราธนาพระพระหูสูตรทั้งหลายให้อยู่ณที่นั้นพึงสร้างบอ่อน้ำไว้ในป่าที่กันดานน้ำและสร้างสะพานในที่เป็นลมพึงถวายข้าวน้ำ ของเคียวผ้าและเสนาสนะในท่านผู้ซื่อตรงทั้งหลายด้วยใจอันเลื่อมใสเมกมีสายฟ้าแลบแปลบมียอดตั้งร้อยคำรามอยู่ตกรถแผ่นดินทำที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็มได้แม้ฉันใดทายกผู้มีศรัทธาเป็นบัณฑิต ได้ฟังแล้วโตกแต่งโภชนาหารเลี้ยงวันิภพด้วยข้าวน้ำให้อิ่มหนำเที่ยวไปในโรงทานสั่งการว่าท่านทั้งหลายจงให้ท่านทั้งหลายจงให้หลใหและตายกนั้นบันลือเสียงเหมือนเมฆ ก, กำรามเมื่อฝนกำลังตก้ายทานแห่งบุญอันใบบุญนั้นย่อมหลังรถ หายกผู้ให้ฉะนั้นกิสัทธาสูตรจบสัปปุริสัธานสูตรอังกุตรานิกายข้อที่หนึ่งร้ยี่ิกแิสูจน์ต่างหลายสัปปุริสัธานห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตว์บุรุษคือคนดีคนฉลาด ย่อมให้ทานด้วยศรัท ธ, ธา 2. ย่อมให้ทานโดยความโกรพสามย่อมให้ทานโดยการอันควรสีเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานและหาย่อมให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นปีศาจทัหลายซาตบุษรรันให้ทานด้วยศรัท ธ, ธาแล้ว ย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากเป็นผู้มีรูปสวยงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นผลิตผลคือบังเกิดผลขึ้นครั้นให้ทานด้วยความเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามาก และเป็นผู้มีบุตรปรยาธาคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสะดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นบังเกิดผลขึ้นครั้นให้ทานโดยการนั้นควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามาก และย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการยังบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมกุลห้าสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้น ผลิผลและครั้นให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโปการามากและเป็นผู้มีโปกรทรัพย์ไม่มีพยันอันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากทายาทที่ไม่เป็นที่รัก ในที่ที่ฐานนั้นเล็ดผลพิษสทตงหลายนี่แหละคือสัปปุริสะทานห้าประการฟังธรรมคำพุทธะ